มังสมาธิโดยยังคงภาวนานั่นถือสินใดในโลกหนักหรือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการสมาิใจของตนมีความสมัโตรตนน่งใสเพราะว่าปฏิโมกข์ขอ ง, ของพระ พ, พุทธเจ้าทุกทุกโองรวมอยู่ในหัข้อสามประการสปปักบวป่าตั้สักกระหนัง การไม่ทาความชั่วทั้งองอุตระสู้ปรดาการยังจิตแต่งตนให้มีความฉลาดการฉันลจิตแต่ังตนให้มีความเฉลีลายังกุศลนี่ถึงพร้อมคาหมายที่ยังความฉลาดใั้ถึงพร้อมอย่กุศระกุศระกุศลก็แปลว่าความฉลาดสิษษษษษษตตะโยรัปปนัง ทำลายปีชุนให้ต่องแตสไยถึงขัง้นเลยเอตังรุ ธ, ธานะทราบหรือไมนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่หม่ยนึ่งหัวข้อใ ห, ใหญ่พระโอวาทรวมลงในาสามบทนี้เป็นหลักใหญ่ ดังนันทั้งกั บ, บาปเป็นปริยาแตนอนันปวาโดการไม่กล่าวร้ยคนอื่นอนุปรคาโตไม่ทําลายจับเนบุคคลอื่นปาจิมโมเทจะสร้างวโรทั้งโด น, น้จะข้าบุกยี่หันเรียกว่าปาจิมโม น, น, น, น, น, น, นี่นีน่ตาหนึ่ตาจะผัดตัดนึ่งเออจับคนมาณในการบขบการใช้การขัน การใช้การสอยตัดใจสิคำว่ารู้จักประมาณคำประมาณก็ลงในความพอดีคือมัจจิมานั่นแเองตันจะสช้หนาทั้งนั้น า, นานอยู่ที่นอนที่นั่งอันเท่าไหร่ อธิจิตเจจะอาโยโบย่ำเขาอีกทำจิตให้เป็นอธิจิตว่ายอดเยี่ยมมีเอตังวุธานทราบันังอีกเหมือนกันีแต่เป็นคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายสวดท้าปจิโมสวดนะงต้องหลักนั่นในข้ออัดข้อทำความะพอทธ at <im> ิจา์ยาสัต์แต่ว่าอ่านไปเฉยๆจำได้ติดปากิคอแล้วก่อน ว่าเป็นชึ้นเป็นอันเป็นสมบัติของตนขึ้นมานั่นมันยังไม่ใช่สมบัติของเราแท้เป็นเพียงความจําวิธีการวิจาชื่อของธรรมนั้นๆมาไว้เพื่อดําเลินตามให้ถูกต้องเท่านั้นยังไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตนแบบแท้ทริงได้เพราะฉะนั้ น, นท่านที่เรียกว่าปริยักษ นยการทึกษารเ่เรียนคว้ามเคบนมากเน็่น้อยเท่าไร่เยียกว่าปรยัดในการทึ่าเร่อเรียนท่าไหร่ปฏิบัติการทึกษารเร่อเรียนจำที่จําเสียงจำวิธีการของการแก้กิเลสการทัาสมความดีการสังสมธรรมือมาก มีสิ่งจะมาเปปัญญาที่สำคัญที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของเราที่จะต้องดเนินต่อปฏิบัติจ่ิงปฏิเวทะก็คือความรู้แจ้งไปโดยลำหนับลำนาจนถึงขั้นรู้แจ้งแทนตลอดในสัจธรํา ท, ทั้งหลายโดยสมบูรณ์เป็นผลปฏิเวทะความรู้แจ้งแทนตลอด สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติการปฏิบัติสืบเนื่องมาจากวิธีการตีการทำอบรมสั่งสอนหรืเราได้ศึกษาจากตำหนักตำราหรือครูอาจารย์เฉพาะ อ, อย่างยิ่งจากอุปัชยยะมันก็เป็นปริยันะวิธการศึกษาเจ้าาลงมานะข้าพันตาตัดจบเป็นต้น นี่คือการศึกษาการเรียนกรรมฐานการเรียนงานงานของเรามีอะไรา ง, งานสําคัญงานหรือพบรื้อชาลื้อวาตถุสงสารรือ้อพิเลตัญหาออกจากใจต้องรื้อด้วยวิธีการอย่างนี้พิเลตัญหาทุกประเภทย่อมหลบซ่อนดีกผผดันผมขนเรียบรนอ เล็บฟันหนังน่อเอ็นกระดูกอาการสามที่สองเป็นที่หลบซ่อนของกิเลสได้ทั้งนั้นพปัญหาต้องพิ้วคลายเพื่อความเปิดเผยของสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันกิเลส ก, ก็หาที่หลบซ่อน ไ, ได้เพราะอุบายของปัญญาเป็นผู้พิ้วคลาย อ, ออกเปิดเผยออกหรือถอนสิ่งที่ปกหรือที่หลบซ่อนของกิเลสปัญหาประเภทต่อองางๆ ออกโดยลำหนักนี่ภาคปฏิบัติอยู่ไหนอย่าลืมงานอันนี้งานอันนี้เป็นงานละเอียดละอองานติดต่อสืบเนื่องไม่ใช่งานจะทำเป็นล่ำเวลาเหมือนหน้าแต่การงานเหมืองหรือการเหมือนการทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนที่ทำตามฤ ด, ดูกาลตามเวลวาเวลา ทำตอนเั้าเลิกตอนเดินอย่างนี้มีเป็นงานของโลกเขาทำกันงานแก้ปัญหาส่าที่ียกวปางานของธรรมเื่อความเป็นธรรมแก่เราเราจะนำวิธีการของโลกมาใช้มันขัดกันโลกเขามีร่าเวลามีฤดูกาลมีการตการกับ เริ่มทํา ง, งานตั้งแต่เท่านั้นโมงไปเลิกเท่านั้นโมงโรงงานต่างๆก็มีเวลาปิดเวลาเปิดการทำได้ทําทำานาก็ทำตามฤดูการทำรั้วทาสวนก็เหมือนกันงานของโลกเขามีในรั้นเวลาเครื่องกำหนดให้ทํางานและเลิกงานแต่งานของเรานี้เป็นงานที่ ละเอียดละออีเป็นงานที่หนักอยู่บ้างถ้าเราจะพูดวันหนักแต่ไม่หนักถึงกับต้องให้เกิดความวิ้มหนาละอาจียงานนี้เป็นงานละเอียดเพราะที่เล็กละเอียดมากจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาทีทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินด น, นั่งนอนเขี้ยนเสียตลับที่ถูกวิสัยได้เท่านั้นนอกนั้นให้ถืองานนี้ติด กับความรู้สึกมีสติเป็นเครื่องกำกับงานอยู่เสมอเือนก็ให้ทำงานกับอาการใดก็ตามซึ่งเป็นเครื่องถอดถอนที่ จ, จะพิจารณาผมขนเลือดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือทั่วสมรรถภร่างกายก็พิจารณาด้วยความมีสติปัญญาเป็นเครื่องสอบสอง แยกแยะพื้คลายให้หลายสันหลายคมหลายแง่หลายหมายจึงเรียกว่าปัญญาจต่ทำแบบทื่อๆไปเลยไม่ได้ในขณะที่ยังไม่มีปัญญาก็ให้ใช้สติเป็นเครื่องควบคุมงานรวมกระแสะของจิตเข้ามาให้ได้เพื่อความสงบด้วยสติ โดยการทานานในธรรมบุใดก็าตามดังที่เกลือที่บาให้ฟังแล้วนั่นเป็นวิธีการรวมพลังของจิตกระแสะของจิตเมือ่อรวมตัวเข้ามาสิ่จิตแล้วย่อมมีกำลังปกติของจิตจะต้องสายแสเร่ร่อนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความว่าง ไม่ทํางานของจิตคือความคิดตรุงไม่ได้เลยนอกจากหลับสนิเทเสียแล้วนั้นถ้าไม่หลับสนิทก็ต้องมีคิดมีตึมฝันนั้นฝันนิ่ยุ่งไปอีกนะมีวันแล้ตั้งแต่งานของจิตเพราะฉะนั้นผู้จะทําการรื้อฟื้นอัตธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจคือนิโรธาธรรมศาสากฏขึ้นจึงต้องพยายาม ส่งเสริมหรืออบรมมรรคธรรมให้มีกำลังสติก็เป็นมรรคสมาธิก็เป็นมรรคปัญญาก็เป็นมรรคการประกอบความเพียรในท่าต่างๆก็เป็นมรรคสถานที่ที่ร่วงที่เราทำงานยึด สิ่งที่เราจับเป็นการเป็นงานเช่นเยสาลมาเป็นต้นก็เรียกว่าหักหยกหวางมากียกหวังม า, ากมัดมีอยู่ทุกรักทุกตอนถ้าพิเจรณาให้เป็นมากถ้าจิตตาพระจะตัตสติเมื่อไรแล้วจะต้องเร่ร่อนอ่อนกำลัง แล้วก็ไหลลงไปสู่ความดึงดูดของทิ่เซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมั้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการถูกการหน้าการนงคับบัญชาเพื่อจะให้ออกจากเครื่องดึงดูดจิเดชอาสวะทุกประเภเป็นเหมือนกำแม่เลยตัวสำคัญดึงดูดจิตใจของเรา ให้เติมหลงไหลไปจนได้จับโลกนี้ตายก็ตายเพราะี่เหลสเกิดก็เกิดเพราะกิเลสทุกข์ก็ทุกข์เพราะกิเลสวุญวายสับสนอะไรทั้งนั้นมีตั้งแต่เกิดขึ้นจากที่เหลสเป็นสมุฐานสาคัญเราอยากเข้าใจว่าเป็นเพราะสิ่งอื่นใดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องทุ่มเทกําลังลงให้เพียงพอกัน ที่จะให้เรียกว่าเป็นความเพียรไปโดยลําดับได้มีความสืบต่อจนถึงกับว่าสตินี้กลายเป็นสัมปะทะขึ้นภายในตัวความมารรู้เรียกว่าสติความมารรู้สืบต่อเป็นลํำดับกับงานที่ตนทําหรือกํากับจิตให้จิตทางานไปโดน ความรับรู้มีเจตนานั้นแฝงอยู่โดยลำดังการเรียกว่าสติเรียว่าการทำงานโดยถูกต้องเรียกว่าความเพียรชอบเรียกว่ามากักงานนี้เป็นงาน <c oughs> ผิดกับโลกทั้งหลายยังไม่มีร่มเวลาผู้ประกอบการงานนี้เพราะ ความมุ่งมั่นของเราเพื่อความพ้นผุ ừ, ถ้ายิ่งความมุ่งมั่นมีเต็มหัวใจด้วยแล้วการ ง, งานที่ทำนั้นเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นหากดึงดูดกันไปเองมีความขยันหมั่นเพียรความอดความทนตะเกียบตะกายไปจนได้มากน้อยก็ไม่ถอยบึกเบินไปอยู่อย่างนั้นเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่น มีกำลังมากเป็นเหมือนกับแม่เลยเครื่องดึงดู่ความเพียรหรือวิธีการที่จะแก้กิเลสทุกประเภทมีพลังมากขึ้นอย่าล้นเราอยากให้เรื่องของโลกใดๆที่เราเคยฐานเคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมผัสมาแล้วตั้งแต่วันเกิดซึ่งน่าจะหายสงสัยแล้ว อย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นในลักษณะความเสียดายอยัางเสียดายมันอยู่มันก็ต้องโดยฉุดได้ลากออกจากความเสียดายลันษณะความบิงดูดของของโลกนี้เองเ น, นั้นโลกก็หมายถึงที่เหลืนี่แหละสําหรับเราผู้ปฏิบัติไม่ต้องไมาเอาสิ่งอื่นใดที่เหลืมันเป็นสมมุติเครื่องฉุดาจิตใจลงอยู่โดยลําดับไม่มี เวลาเล่นเวลาพักผ่อนหย่อนตัวเลยพิเดตเราทํางานอย่างอื่นอย่างใดยังมีการพักผ่อนหย่อนตัวแต่พิเดตไม่มีการพักมันทํางานให้มันอยี่ยงนั้นการบําเพ็ญธรรมจึงต้องได้อาศัยความขยันหมั่นเพียรความสืบต่อความอุตสาห์พยายามชั้นท่ามันบอกไว้แล้วในอิทธิบาทดิพื้นเทแห่งความสำเร็จ คิรกากฐานของความสำเร็จในหลังงานใดถ้าเรามีอธิบาทแล้วย่อนสำเร็จเป็นขั้ น, น, น ต, ตอนๆก็ได้ฉันท่าให้มีความพอใจในความเพียรเพื่อความหุดพ้นของตนวิิยะเพียนอย่าลดละในเอียบทต่างๆตลอดถึงความคิดความตุง ใ, ใดๆพยายามตามสอดแ่รู้ความคิด ความตุ้มของตนมากเป็นไปในแง่ใดส่วนมากเป็นเรื่องของพิเรกเกือบจะว่าร้อยเปอรเซ็นก็ได้ทำนิสติพิเ ร, รกมันก็ปกตัวบ้ า, บานพอเผยสติมันก็ต่อยเราทันที ừ ừ. ทจิตตาท่านว่าเอาใจฝักใส่ ừ. คืออยากให้ความรู้สึกคือใจกับสติทั้งทางเค้นจากความเพีย ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความพ้นทุกข์มีความสิดต่อต่อเนื่องกันโดยลํำดับมีละเอียกว่างานของเราแท้ย <c oughs> ิมังสาปัญญาเป็นสิ่งสําคัญในการถอดถอนที่วิาทาฐานที่ทุกข์กกให้เตียนโล่งออกจากติตใจจะได้มีใจได้มีความสง่าผ่าเผยมีความผ่อนคลมีความอบอุ่น <c oughs> <c oughs> มีความรู้ความเชี่ยวชาญพอที่จะต่อสู้ขี่เหลยดได้เป็นลำหนักลำดาไปจิตต้องมีสติมีปัญญาเป็นเจ้าของคอยควบคุมลำทางจิตอย่างเดียวนั้นไม่มีความรู้สิดีชั่วประการใดผิดถูกอะไรก็ไม่รู้ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญา เป็นผู้แนะนําเป็นผู้คอยสังเกตเป็นผู้คอยควบคุมรักษาจิตจริงเป็นไปได้ด้วยความปลอดภัยถ้าไม่มีสิ่งอย่านี้รักษาจิตก็ต้องเป็นประจำเรื่องของยิ่งเลสทั้งหมดถ้าไม่มีสติซะจริงๆส่วนปัญญาไม่ต้องพู้าติเป็นของจังการแล้วรู้รู้ว่าผิดว่าถูกชัว่วดีไม่มีพระอาจารย์แล้วเขาเขาเรียกว่าคนบ้า คนบ้าที่เดินงวกงานอยู่ตามถนนคนทางไม่ได้สนใจกับเรื่องความผิดความถูกใดใดไปตามภาษีภาษาของตนนั่นแหละคนที่มีแต่จิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นความรับผิดชอบเป็นเครื่องกระตุกไม่รู้ว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกประการใดเลยและมันมีความให้ควนไม่เป็นความแยกแคลนเงีง่ต่างๆ เกี่ยวกับการไปกันมาการทำอะไรต่างนี่คือสติคนไม่มีสติคือขาดอวิเชีย์จริงๆเมื่อสติขาดจากตัวอปิเชีย์จริงๆแล้วคอยเหียกวาคนานใจนังนรู้แต่ไม่รู้ไม่ได้ว่าผิดหรือถูกมีแต่ทำไปตามความอยากของทิเหลือซึ่งมัน ครอบอยู่ในหัวใจนั้นอยาก น, นั่นงไีนยคนนั่งอยากเดินที่น้อยเดินอยากนอนที่น้นอยคนนอนความสกปรกโซมมมลอะไรๆ ไ, ไม่รู้ทั้งนั้นเป็ไม่รู้ว่าเป็นสกปรกของสกปกรกยึกสะอาดอะไรไม่รู้เนี่ยเยอะกว่าคนบ้ามันไม่รู้มันรู้เฉยๆมันไม่รู้ว่าดีว่าชั่วว่าสกปรกว่าสะอาดว่าควรหรือไม่ควรเท่านั้ น, นั่งถนนสีแยก เราไปเห็นแล้วที่อุดรก็เห็นทัศน์ทัศน์นั่งจับนั่งหยิบ น, น, นี่เอานั้นใส่นี่เอานี่ใส่นั่นดูกลางสี่แยกเลยทีรถ ว, ว, วิ่งขวอควายกลัวจะจะชนมันหลบมันโอ้โหจะตายเลยเพราะตอนนั้นตำรวจไม่มีรเราแว้นําอกมาคิดต่างหลายยุลานี่เพิ่งเกิดความรู้เท่านั้นกับที่เลื เป็นผู้ควบคุมโดยถ่ายเดียวไม่มีสติไม่มีปัญญาเพื่นสอดแทรกค่ะพอรู้สึกตัวบ้างเลยเป็นอย่างนี้คนเดาหนักมันคือผู้ที่หมดสติหมดปัญญาจริงๆเป็นคนบ้าเราไม่ใช่ประเภทแห่งคนบ้าเรามีสติอยู่เหมือนอย่างคนทั่วๆไปวิสามัญชนทั่วๆไปแต่สติอันนี้เราใช้งานอะไรยังไม่ได้ไม่สามารถที่จะถอดถอนที่เด็ดปัญหาอาชวะ ตามความหมายของเราได้ต้องอาศัยสติที่เกี่ยวกับบทธรรมอันเป็นอุบายวิถีที่สาเป็นไปได้ในทางสำรับตอบถอนพิเดียรหรือในความตั้งคือท่านให้กำหนดความรู้นี้ให้อยู่กับบทธรรมบทดฏิวัตาเมีสติควบคุมให้ จิตทำงานอยู่กับบทธรรมนั้นๆทีนี้เมื่อมีสติคอยกํำกับรักษาอยู่วิเลกก็ไม่มีอำนาจที่จะชุดลาบจิไปต่อหนา้าต่อตาเราสู่อารมณ์ต่างๆใจย่อมมีความสงบได้ด้วยการรักษาสติของสติสตนทนเร่วความสงบสงบก็เราสงบได้ด้วยสติ เราต้องการจะท้ายอุบายความแยบคายของปัญญาในการอันควรเราก็ต้องท้ายจริงๆพิจารณาดูเรื่องธาตุขันของเราหรือธาตุขันของผู้ใดจัดใ็ต่างเป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นพิจารณาเทียบเขาเทียบเราเดินไปไหนมันก็เห็นอยู่แล้วเรื่องสัจธรรมไม่บกพร่องในโลกอันนี้แตพาะอย่างยิ่งทุกข์กับสมุทยัยมีเกลื่อนโลกเป็นปัหาที่ ตรงที่วางไม่น่าเพราะมีทั้งแต่เรื่องกองทุกกองสมุทัยที่เป็นองหัวใจจัดซึ่งมีอยู่ทั่วโลกจัดแต่ละประเภทมีมากมายนันมีทุกมีสมุทัยเต็มตัวด้วยกันเรื่องของทุกขของสมุทัยเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและเหนือสมุทัยก็เป็นเครื่องเสริมทุกในก็บอกอยู่แล้วจะหาความสุขที่ไหนมีจึงต้องไดกคิด ให้มีจัดจัดสองประเภทซึ่งเป็นคู่ปรับกันหรือเป็นเครื่องแก้กันคือมรรคในการ อ, อุบายแห่งความภาคเทียพิจานณาให้เห็นชัดเจนมันมีอะไรในร่างกายของเรานี้ นาให้เห็นตามความจริงยาปีนเกลียวกับธรรมการจีงเกลียวกับธรรมก็คือความเป็นข้าสิ่งต่อธรรมเพราะอํนนานาจของจิตเด็กท้าให้เป็นข้าสึ่งกำหนดดูเบ้องบนเบื้องล่างตั้งขวางสถานการเบื้องบนกับศีรษะเบื้องล่างก่พื้นท้ากําหนดลงไปมีกอง อ, ยอายุสัตว์เท่าตัวของเราเนี่ฝ่ายรูป แล้วดูเข้าไปข้างในงมีอะไรมีกระดูกเป็น ท, ท่อนๆเป็นชิ้นเป็นอันติดต่อเบี่ยวยงกันไปด้วยเสร็จโดยเอ็นมีหนังเป็นเครื่อง ห, งหอ่มห่อมีเนื้อมีเอ็นเป็นเครื่องฉาบพาไว้ภายในนะครัมีผิวหนังบางๆอยู่ข้างนอกมีเท่านี้ นิดเดียวขท่นั้นปัญญาก็แขงไม่คลุจะเรียกเราโง่ถึงขนาดก็ได้หน้าละอายจิ่งเลตัญหาอาตวะเป็นไหนๆเพราะของบางๆแท้ๆไม่น่าจะหลงเลยมันนั่งหลงได้นี่แหละความยากคายของจิเลตมันเหนือธรรม คำวาเหนือธรรมคือว่าเหนือธรรมในใจเราที่จะต้านทานกิเลสได้ในเวลาเช่นนี้คือเรายังไม่มีกําลังทำได้เแต่สติปัญญาเหนือกว่ากิเลสพอกิเลสจะหลุดลอยไปด้วยพลังของธรรมได้เพราะฉะนั้นกิเลสจึงคอยแทรกอยทั้งๆที่เราจะพิจารณานี่ให้เป็นอคติภะอคติพังทุกขังนัตตากิเลสมันก็ฝืนอยู่อย่างซึ่งซึ่งซึ่งล่านั้น ทำไม่เห็นเสียเห็นแต่เรื่องของคนของเราของเขาเมองดูในแง่ไหนมีแต่ว่าเป็นเราเป็นของเราเต็มไปหมดในกองปฏิกูลโสโรครกป่าชา้าพิดิบเต็มอยู่ทั้งตัวมันก็เหมาว่าเป็นคนทั้งคนเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักใครชอบใจไปเสียทุกชิ้นทุกอันภายในร่างกายเนี่ยคือความฟืนทำของจิเวิญญาให้เป็นไป ด้วยเหตนี้จึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมพยายามพิจารณาแล้วพิจารณาพิจารณาเล่าบางาทักจิตใจให้ทาาํานในส่วนเหล่านี้ให้เห็นตามเป็นหริงสงสาลงมาหนะะ้าขาพันตาตะโจเวลาเห็นจริงๆแล้วมันแทบตสามเวทจริงๆนะนี่ได้เคยเป็นผมเคยเป็นมาแล้ว เวลามันเห็นมันโอ้โหเกิดความโกรธสังเวชน้ําตาลุ่งโอ้โหผือผืโอ้โหทําไมนี้จึงเพิ่มมาเพิ่งเห็นวันนี้กายมีมาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็พิจารณาภาวนามาตั้งแต่วันบวชเฉพาะอย่างนี้ปฏิบัติกรรมฐ า, านก็เพือ่อจะเห็นเมื่อเห็นการากายมีท่านสั่งสอนแต่ทําไมมันไม่เห็นเพิ่งมาเห็นในวันนี้ราวกับว่าร่างกายนี้เพิ่งปรากฏตัวขึ้น มาในวันนี้ทั้งๆที่มันเกิดมาสี่ปีสี่เดือนมีมากับตัวของเรากี่ปีสี่เดือนแล้วทําไมจึงไม่เห็นน่ะมันเกิดความโสดังเวทมองไปมันเยิ้มเยิ้มเยิมนี่พอจอกไปเห็นสภาวะส่วนไหนส่วนหนึ่งเท่านั้นทีนี้มันก็เป็นกระดาษซึมไปหมดปญามันสอดมันแทรกมันซึมไปซึมไปซึมไปที่ตรงไหนชาติเยนเกิดความโสดังเวทไปทุกแง่ทุกมุมทุก อวัยวะทุกสัว์ทุกส่วนข้างบนข้างล่างเพราะมันเหมือนกันหมดนีดูไปไหนมันก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดมันจะไม่เกิดความตื่สังเวชได้จากนั้นมันกอพอกําหนดมันแสดงอาการสหลายตัวทําลงไปโดยลาดับบมันก็เห็นได้ชัดสลับลงไปสลับไเาเวลาตายแล้วเป็นยังไงะเวลาตายแล้วเป็นอย่างนั้นนั้นกําหนดดูกายนั่นแหละที่มันเห็นนั่นแหะมันก็ โอ้ยพัทงทลายลงไปปรัปบปรับมองเห็นมแต่ละอันกระดูกอ๋อยิ่งสลดสังเวชใหญ่โตในขณะนั้นจิตมันเบาวิวูิววิวเหมือนจะหอเหมเดินฟ้านะักทั้งที่กําลังพิจารณาจิตใจมันเกิดความเกิดสังเวชนั่นมันเห็นเห็นอย่างนั้นในเห็นกายเราเห็นเราเคยเห็นแล้วอย่างพระสักีเดียแต่ความหห็นการมันจะเห็นในลักษณะเดียวกันทุกข้างทุกคราวที่เราพิจารณา มันก็เป็นไปไม่ได้คั้งหนึ่งเห็น่างหนึ่งข้งหนึ่งเห็นดังหนึ่งแต่มันก็นับเข้าไปอย่างแน่ใจว่าคือความเห็นกายเหมือนกันเห็นจะไม่สะโดสังเวีนขนาดนั้นมันก็มีผลเป็นคนละทางเพราะความเห็นมันผืดเปิดจากกันประเดนินหมด ผลปรากฏขึ้นมาก็มีลักษณะผิดแปลกแต่ต่างกันไปตามเหตุที่พิจารณารือพิจารณาเห็นัน่นแหละเรื่องปัญญาเวลาเราใช้ให้าช้ายอย่างนั้นพิจารณาบางทับอยาให้มันหนีไปไหนดูถ้าจะพิจารณากายใดก็ตามอัตตาลาพหิทธาลากายเยกายานสุสีหารติพิจารณากาหนอกก า, ายในก็ดีเห็นกายในกาย ส่วนหนึ่งของร่างกายในร่างกายทั้งหลายเช่นมองเห็นผมในร่างกายหรือเห็นผมในผมทั้งหลายก็ได้เห็นผมในร่างกายทุกส่วนก็ได้เห็นเห็นเล็บเห็นฟันในของของกายทั้งหลายเดี๋ยส่วนหนึ่งของส่วนทั้งหลายในร่างกายนี้เห็นกายในกายนะฮะเห็นข้างนอกอดูข้างนอกเกียบเกียงภายในเกียบเกียงทั้งภายในทั้งภายนอก ก็บอกไว้ถอย่างท่านเจียนพริติบัติธรรมนี่คือทางนหนึ่เพื่อความตอบถอนที่เดกกันหาอาสวะอวิชชาอุปาทานออกได้ด้วยการพิจารณาเนี่ยงานของพระให้พิจารณาอย่างนี้ยาไปเป็นกังวลกับสิ่งใดในโลกนี้หเหมือนกับว่าเรามีเราคนเดียวอยู่กับกองกระดูกนี่หอบกันไปหอบกันมาหอบกัน พายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายแสนกังวลอยู่กับร่างกาย น, นี้ตามหักธรรมชาติของมันนอกจากทั้งแล้วยังไปยึดไปถือว่ามันเป็นนอมเป็นของเราขอยิ่งเพิ่มภาชนะคืออุปทานนี้ทําให้หนักอึ้งจะยกไม่ขึ้นเองก็ยกความเพียรก็ไม่ขึ้นทำอะไรก็มีแต่ความเหน่อยเมื่อยล้าอ่อนเพลียทุกหมดเพราะกําลังใจไม่มี มีแค่ที่เหล็กพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเดินตามแถวเนี่ยแถวสัวจธรรมทั้งสี่คือทุกขสมุทตยเป็นทางเดินทุกเข้าใจว่ามันเป็นทุกมันทุกอยู่ที่จุดไหนก็แยกแยกความทุกนั้นะออกจากหรือเทียบเทียงกับ สถานที่กับวัตถุที่มันกําลังเป็นทุกนั้นแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันเพราะหลักตามหลักธรรมชาติแล้วทุกเวทนาเป็นอันหนึ่งต่างหามันไม่เฉยไม่เฉยกายไม่เฉยวังไม่เฉยผมไม่เฉยขนไม่เฉยเล็ไม่เฉยฟั น, น อ, อันนี้จะเป็นอันหนึ่งต่างหากของเท้ตา ต, าตา่งตางอันต่างจีนต่างอันต่างดิบณขณะที่ทุกกําลังโผมตัวเข้ามาภายในร่างกาย ร่างกายต้องมีความรู้สึกตัวเองในตัวเองเลยว่าได้รับความทุกข์ความทรมานจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้ความหมายในตนเองด้วยไม่รู้ความหมายในทุกที่กำลังเกิดขึ้นนั้นด้วยแม้แต่ทุกก็ไม่รู้ความหมายของทุกด้วยไม่รู้ความหมายของกายส่วในใดส่วนหนึ่งด้วยต่างอันต่างไม่รู้เรื่องของกันจึงแสดงออกมาตามความจริงของตนเท่านั้น ปัญญาพลังงาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แยกออกได้ดูทุกดูทุกเป็นยังไงเกิดมาจากที่ไหนที่ไหนว่าเป็นทุกแทรกเข้าไปปัญญาจดจ่อเข้าไปอย่าถอยหลังอืมกระดูกเป็นทุกเวลานี้กระดูกกาลังจะแตกอืมมันเจ็บมันปวดด้วยล้าไปหมดอืมพายในกระดูกส่วน น, วนั้นส่วนนั้นจดจ่อลงไปจ่อจิตลงไป อันหนเป็นทุกข์จริงๆกระดูกเป็นทุกข์หรือคนตาแล้วกระดูกมีไหมอาจจะเผาไฟกระดูกแสดงอาการโควนกวาดก็ความรู้สึกว่าเป็นทุกข์แม้มีไหมมันไม่มีนังเนื้อเองกระดูกแต่ละสัะส่วนมันเหมือนกันหมดเป็นตามหลักธรรมชาติของตนดูโดยลำพังของตนไม่มีความหมายตัเองนอกจากจิตเป็นผู้เป็นหมายให้เท่นานั้นเป็นหมายแล้วก็หลงความหมายหลง ตื่นเงาของตัเองัอนั้นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์นั้นเป็นเราอนี้นเป็นของเรามาทุกข์กับการสัตัดสัมพันธ์นี้เข้าเป็นอย่างเดียวกันแล้วจิตก็พัวพันุ์แล้วมันก็ต้องหอกทุกขึ้นมาอย่างหนึ่เมือนเราพิจารณาแยกแยะด้วยปัญญาตรงนี้เราจะเห็นได้ยอย่างชัดเจนว่าทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยก็คือสภาพทำอันหนึ่งหรือสภาวะทำอันหนึ่งเท่านั้นหน่ง ท้ายก็เป็นสภาวธรรมอันหนึ่งความที่มหมายว่านั่นเป็นทุกนิ่งทุกเป็นไปจากสัญญาซึ่งเป็นสาเหตุออกมาจากวิเลสประเภทต่างๆอยู่ภายในนำให้สัญญามาเป็นเครื่องมือจับจองที่นั่นที่นี่สำคัญที่นั่นที่นี่ว่าเป็นทุกว่าเป็นเนื้อว่าเป็นกำหนดลงไปย้อนทํามาดูใจใจนี้เหลือเป็นทุก แยกดูใจเห็นมีตั้งแต่ความรู้เท่านั้นไปพอดีไม่ปรากฏว่าเป็นุะเป็นทุกข์ที่ไหนอทกมันก็เป็นทุกกระดูกก็เป็นกระดูกกระดูกเป็นต้นมันก็เป็นกระดูกโทุกมันก็เป็นทุกเป็นความจริงของมันเจตผู้รูสิ่งอย่างนี้ก็เป็นความจริงตัวตัวหนึ่งเมื่อแยกเห็นทัดเจนว่าเรื่องความทุกข์กับใจมันก็ไม่เข้าประสานกัน ความทุกข์กับกายก็ไม่กําเนิดถึงจะกําเนิบขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทําความเค้ากระทบกับเทือนแก่จิตใจได้เล ย, เ, ลยเพราะจิตใจรู้เท่าทันด้วยอำนาจของปัญญาที่พิจารลาเท่าทันก็อยู่อย่างสะดวกสบายเหนือนการพิจารณาที่เป็นอย่างนี้เรื่องของปัญญาเวลามันเป็นต่อกันมุมจริงๆนั่นแหละเป็นเวลาปัญญาจะเกิดคุณเราไม่ได้มี ความโง่อยู่ตลอดเวลาถึงกลายเป็นกรอบเป็นมุมขาดผิดขาดคิดสติปัญญาขึ้นมาช่วยตัวเองแล้วปลดเครื่อนรอดท้นไปได้หนีเคยเป็นแล้วไม่ใช่เอามาพูดแบบเป็นด้นดาๆบบให้หมู่เพื่อนฟัเราเคยปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นจึงสามารถอุทานขึน้นภาในจิตใจอจากอาหารโอ้ในความโง่คนเรานี่มันจะมันจะงโง่อยู่ตลอดเวลา เวลาทุนคาจนตัวจริงๆเช่นขนาดนี้ไง น, น, นี้เราได้ความเฉลี่ยฉลาดปลดเปลื้องสิ่งทั้งหลายเรามีด้านเรื่องน่าของปัญญาความฉลาดแหลมคมทั้งหลายเพราะความเจนเกาะในทุกทุกมันบีบคั้นมันบีบบังคับเหมือนกระดูกหรืออวัยวะทุกส่วนจะแตกกระจายทลายลงมหาสมุทรทะเลไปหมดนี่ความทุกข์หนักมากขนาดไหน แต่คณูนับสติปัญญาไม่หยุดไม่ถอยผู้เกี่ยวขุดค้นอยู่ในวงนี้จนข้าวกายตามความจริงแล้วทุกทั้งหลายมันก็หาความกาเนิบตอบไปอีกไม่ยากแม้มันจะกําเริบต่อไปอีกเส้นถึงมาระจะตานี้มันก็กําเริบตามเรื่องของธาตุของขันธ์ต่งางๆของทุกข์ของกายต่างหยิบไม่ได้กาเริบ มีความคงเส้นคงวาหนาแน่นหรือเป็นลำารตัวเองก็เห็นไม่อยากชัดเจนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะสะทกละท้านต่อความทุกข์ความตายที่ไหนกันเพราะความทุกข์ก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งความตายก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งผู้รู้ความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นความที่หนึ่งก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาก็เป็นสัจธรรมอันหนต่างอันก็ต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วเรื่องทั้งหลายก็ไม่กระทบกัน เป็นไปมากน้อยมีคนไม่ไหวจะไปหรือไปก็ไปเราเย็นเริ่มเกิเดเจ็เจ็บใจนี่เย็นมาตั้งแต่วัเนเริ่มได้ปฏิบัติดูแล้วเมื่อสักขีพยานตากรุกขึ้นมาเราจะลบหยิบกับตัวไปไหนทำไมจะเอามือเขียนับถินลบหลักถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงจริงถึงขนาดที่รู้จริงจริ ง, ร ง, รงแล้วหลงมันอะไรกันมันไม่หลงเพราะาต่างอันต่างทำกล้ามันก็ม่มีทำมันเต็มที่ของมันเล ความกลัวก็ไม่มีความกล้ากล้าหาอะไรกลัวกลัวหาอะไรมันเรื่องของสมมติทั้งนั้นเป็นจิตเป็นธรรมดามันก็ต้องกล้าต้องกลัวในขั้นที่กล้ามันก็ต้องกล้าเรื่องของปัญญานีเป็นมรกคมันกล้าหารต่อทุกเวทนาไม่หยุดไม่ถอยสู้มันจนตายวิถีการเดินของมรกย่อมมีความกล้า แต่เมื่อผ่านจากนั้นไปแล้วความกล้าความกลัวก็หมดเพราะมันพ้นแดงของความกล้าความกลัวไปหมดแล้วเข้าถึงขั้นแดงต ก, กติสงบราบคาบโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่มีเราเข้าไปแทรกไปสิงไปเพิ่มไปเติมนีม่จะตัดออกก็าม่ได้จะเพิ่มเข้าก็ไม่มีทางเป็นหลักธรรมชาติตายตัวงแล้วมีการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณา อุบายชิดชอบชอบแซ ก, ซกแทกซิกกวันหนึ่งได้อุบายหนึ่งขึ้นมาก็อย่างหนึ่งสองสาวันได้อุบายหนึ่งขึ้นมาก็อย่างหนึ่งเมื่อค่อยพิจารณาไปเรื่อยกิปัญญาก็จะค่อยมีกำลังแล้วค่อยแตกแขนงไปเรื่อยแตกแขนงไปเรื่อยจนสร้างไปหมดทั่วสนิังร่า ง, างกายแล้วยังสร้างไปทั่วโลกทั่วสงสารพิจารณาเที่ยงได้ทุกสัด ท, ทุกส่วนอัจฉตวาพมิาวา รู้แจ้ง เ, เห็นจริงไนหมดตาเป็นโลกระบีถูรู้แจ้งภายในตัวแล้วหนึ่งรู้แจ้งสภาพความจริงทั้งหลายทั่วโลกทั่วตรงสามันเป็นแดงอมนุษยเหมือ น, มนเหมือนกันหลมกันที่ตรงไหน<ม>ไหนะอืมอำนาจของปัญญาให้ใช้ให้พากันคำหมักคำเม่นอยากพากันนอนกายเวลานี้เราอยู่ในที่สงบสทั้งัดขี่การงานอะไรผมพยายามเสมอให้หมือื่อนในความสะดวกสบายให้ท่มสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนทุกด้าน ลงเพื่อถอดถอนจิตใจซึ่งกําลังเยียกร้องหาความเสียหือจากเราอยู่เนื่องจากที่เด็กปีบังคับจนหาทางออกไม่ง่าอยู่ที่ไหน ย, ยืนเดินนั่งนอนมีตั้งแต่ความบีบบังคับของที่เด็กภายในหัวใจเราจรึงช่วยใจของเราด้วยความภัคเทียนด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาทุกด้านทุกแน่ทุกมุมที่จะ ใหรอดพนหรือบรรเทาความทุกข์ทั้งหลายลงได้คำว่าบรรเทาความทุกข์ก็คือบรรเทาสะมูทัยนั่นเองแต่สะมูทัยไม่บรรเทาไม่เบาลงได้ทุกทางใจก็จะหาที่เบาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสะมูทัยจึงมีของสาคัญเป็นกาว่าในธรรมจักรปฐพีทั้งพู้ย่อยย่ออาการอาการปัญหาเพราะปัญหายิบภาวะตัญหา มันที่เราฆ่าตาตาตาตาตามันมานยาะเยอะคือเอาตัวหัวข้อตัความใหญ่ใหญ่การมาตัญหาคือที่ความรับความแข็งเนี่ยปีครับแตกแขนงไปสักกี่ร้อยกี่พันแนงก็ได้มันก็อยู่ในหัวใจทั้งหมดที่กลณฑนั้นเราอยากเข้าใจว่าสิ่งนี้มีอยู่ในกำพีรนะการมาตัญหาตัวเป็นการมาตัญหาจริงๆไม่ด้ในกำภีรอยู่ในกใจของเรานั่นเป็นชื่อของการมาตัญหา ชื่อของกิเลสชื่อของธรรมให้น้อมทมภายนอกเข้ามาเป็นเข็มทิศทางเดินทมภายในใจของเราจึงถูกต้องผู้เย็ยนขอเย็ยนจดจาเพื่อจะน้อมเข้ามาสู่ภายในจิตปฏิบัติภางในจิตทำงานว้ยอะๆอย่างนั้นตึกใหา่มีวันเมคืนการประกอบความภาคเพียง เราไม่ได้ทํางานร่างการมันหนักให้เดินให้มากการเดินเป็นการออกกําลังเพื่อนะทานนั่งมากมันก็ทําให้เจ็บนี่ปวดนี่เอี้ยวยวดไม่เสมอไม่ดีการเดินเดินนั่งนอนให้เสมอพระออกมาจากที่นั่งแล้วลงเดินเดินมันจะเมือ่อยเป็นเลยอ่าเงียกคือทํางานทํางานภารกิจด้วยเป็นอนามัยทงางร่างกายด้วย จิตใอากายของเราก็ยืดเสร็จดีดสายสะดวกสบายเลือกตรงเดินสบายสะดวกอยากพราะพาเดินพานั่งพานอนพายืนในยับปีศาสามเดือนนี้ทำกันได้ความภาพความเพียนอยากเป็นกังวลกับสิ่งใดนะ้ำปัจจัยเทวทานก็เยี่ยมจะเป็นเหลือเฟือมาทานทุดงเพื่ออยากจะได้น้อยๆฉันแม่น้อยภาวนาให้ดี นาดีๆมั น, นกลับกลายเป็นยิ่งมากขึ้นกว่าธรรมดาอย่างที่เห็นนั่นดูที่ถายบาดนี้กี่ครั้งกี่คนเป็นมาเป็นแต่ในบ้านทายในบ้านแล้วยังไม่แล้วมากลางุ่งนานนี่ผมาทายอีกทีหมาที่ใจบาดนี่ถ่าอีกเราจะได้ไน้อยๆพอกลับก็บกบได้ยินได้มากขึ้นกว่าปกติธรรมดาสิเพราะนั่นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของศรทาเขา ตามปฏาศัยนี้มาเขาว่าเราใครกอยากได้มุนน่ได้บุญนสน่ว น, น, นควรส่วนบุญส่วนกุศนกัมมะปฏิบัติของเราเราก็อยา่าลืมเนื่อเลีนตัวในอาหารปัจจัยทั้งหลายเพิ่งมีความชนิดติดใจอยู่กับธรรมหือธรรมเป็นหลักพึ่งเป็นผนตายความอดความอิ่มความหิวความกระหายความขาดตกบกพร่องหรือความสมบูรณ์นี่เป็นเรื่องของโลก จีตเต็เนไปด้วยจังทุกของหนาตาพนรุ่นบรรดอนหาความสม่ำเสมอไม่ได้อย่าไปเป็นกังวลกับมันสิ่งที่เราเจดต่อต่อเนื่องกันไม่หยุดไม่ถอยคือความภาคเทียนภายในจิตใจของเรานี่เป็นทางถูกต้องให้พักไปรูป้ฏ ป, ฏ, ปฏิบ okay. ัติผมเคยทาเพื่อนสมาทานทุดดนข้อนี้การในรับอาหารตามมามีมเป็นประจามาังแผมนำม่ มือเพื่อนดำเนินอย่างนั้นเรื่อมาไมา่ว่าจะอยู่ที่ไหนดำเนินอย่างนั้นเพื่อให้หมูอเพื่อนได้หลักได้เชิงรู้จากวิธีประพฤติปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์นำเป็นผู้นำผมมา ท, ทําไปํามบทคีรษะขอผมมันมีที่จะเปนห ล, ง จ, ลงจะหลงศรัทธาที่คนมามาให้มาให้มันเร็วที่สุดนะมนุษย์เอา แต่ลงเราลงเฉลอ ง, ลองจะสารพัดไทยอโอ้ ย, ออ ย, อ ย, ย, อยอท่านฉลองนั่นแหละไปนั่นแหลันได้นั่งลงทันทีจิตใจของโลกเป็นอนะย่างนัแล้วไม่สะดวกในจิตใจเราที่จะทำอย่างนั้นแะม่ขึ้กับสุญายาใสมาเอาให้จริงให้จรงอย่าไปคิดกับเรื่องของผู้ใดมาเป็นอารมให้เฉยร่ อ, อยเวลากับเรื่องใดก็ต่างดูตัง้งแต่หัวใจ มันดิ้นมันเดือดตลอดเวลาเนี่ยมันทํางานของมันมันถึกเครื่องสมุทรไทยละเป็นส่วนมากที่ใจกําหนดบังคับบรญชาหาอุบายวิธีในเรื่องความพักเนผยนให้มีหลายแง่หลายไรโดยวาของปัญญาของเราให้ีทีเช่นเราภาวนาไปมีกรรมอริกรรมบทเดียวบทเดียวนั้นมันทําให้จิดชื่อแต่มือนกันนะให้คลิกจิต คิดไปคิดมาด้วยอุบายสติปัญญาของเราเนี่ยมันตือช่วยกันแน่นอมนมันไม่เป็นทาเนี่ยคิดหาเมื่อนที่มันจะติดต่อที่มันจะดื้อๆจนได้ได้วยปัญญาของเรามีเคยทําเป็นมามีนํามาพูดให้ทุกคนฟังอันตอนนี้ไปท่านปัญญาอธิบายที่พูด